งานยกฉัดเจดี JD, และก็งานบรรจุพระปรมสารีริกธาตุวันพรุ่งนี้วันที่7แต่วันนี้เป็นวันพระสงฆ์มารวมกันสวดมนต์เย็นแล้วก็ขอให้มน์หลวงพ่อเป็นองค์เทศนะวันนะ้แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันพ่อไปเห็นพระผู้ใหญ่มาท่านอาจจะให้องค์อื่นกล่าวส ม, มดุดธนิยคถาไปเลยก็ได้เพราะมันพามีพระผู้ใหญ่มา เราก็ต้องเปิดโอกาสถ้าไม่มีใครก็คงจะหลวงพ่ อ, องคงจะได้ขึ้นไปพูดวันนี้เพราะว่าคณะกรรมการที่จัดสร้างเจดีย hmm. ์ว่าวหลวงพ่อรู้รู้ดีที่สุดเหมือนกันรู้ดีที่สุดเจดี JD ของหลวงปู่จันสมเพราะหลวงพ่อได้ก่อตั้งตั้งแต่ประชุมนัดแรกจนถึงวาง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 และก็แสดงธรรมเทศนาถวายเจตุ ป, ปัจใจชั ย, ยธรรมวันพรุ่งนี้คงจะเริ่มพิธียกชัดพระสงฆ์พร้อมคณะสัตย า, ญญาติโยมจากนั่นกบับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระพุทธรูปที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุของพ่อแม่กูบายการพระธาตุพร ะ, พระอรหรันต จะบรรจุไว้บนยอดพระเจดีคงจะเป็นพนุ่งนี้แต่เย็นนี้คงมีการฉวดมนไหว้พระธรรมดาแล้วก็วันที่เก้าวันนี้เป็นวันที่หกนะวันที่หกมีนาห้าสามวันนี้วันที่เก้ามีนาห้าสามจะเป็นการนัดคณะสงฆ์ลูกศิษย์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 ให้สมกลุ่มพวกเราที่จะสร้างฮะมันต้องดูกันให้รอบครอบนั่นแหละเหว่าวันที่เก้านี่จะหาหรือกันรับแปลนหลงพอนัดให้คณะกรรมการพร้อมคณะพระสงฆ์คณะทตาญาตโยมทุกหมู่เหล่าเพราะการเลือกแปลนนั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเพราะว่าทำให้ไม่สบายใจในบางกลุ่มบางหมู่บางคณะได้ง่าย ในเมื่อมติสงออกมาอย่างนี้แล้วขณะนี้ส่วนกลางออกมาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องยอมรับกั น, น, น, นวันัวนวที่เก้านัดบ่ายโมงวัดหนองป่าน้องกองอันนี้คือสร้างท้าวรวัตถุท้าวรวัตถุในถ้าเราไม่รู้จักการวางตัวกับท้าวววัตถุเนี่ยก็ทําให้ติดหนับเหมือนกันนะ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 ก่อสร้างเพื่อเป็นฝากรรองรอยหรือฝากหวีมือไปในแผ่นดินแต่เราไม่มีอะไรฝากเชลเลยไม่มีการก่อสร้างอะไรเชลเลยอรุชนรุ่นหลังเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็ไม่ได้ไม่ไม่มีประวัติศาสตร์พวกรุ่นก่อนๆก่สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้เพื่อการศึกษาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา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 พวกคีแตนีทีเนียวทั้งหลายหลวงพ่อว่าก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน่ะคือความเห็นผิดเก็ดคิดว่าของเหล่านั้นจะเป็นของตัวเองจนเกินไปแต่ถ้าว่าใช้อลุชูแชทชุลุยชุล่ไม่รู้จักประมาณตัวอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันสุดตรง ไ, ไปอีกด้านหนึ่งเหมือนกัน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 อย่าฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟื่อยจนเกินไปจนให้คนอื่นเดือดร้อนนี่แหละอันนี้ก็พวกเราต้องช่วยกันคิดอีกเหมือนกันแต่ที่ตีทีเหนียวเกินไปก็ไม่ได้ <Okay. S 1> พวกเราได้ยินมีเสียงคล้องเมื่อกี้เนี่ยก่อนลุงพ่อจะขึ้นมาศาลาลง <Okay. S 1> พ่อแม่ครูบาจากกรุงเทพท่านถวายคล้องมาท่านเห็นคล้องละคังเอาไว้ที่โรงน้ําร้อนมันเล็กน่ะ นั่นี่ยจะถวายคองหลวงพ่อมาอยู่ที่บ้านขายพวกเนี่แหละพวกเครื่องดนตรีมั้งนั่นหลวงพ่อเอาได้มันดังไหมล่ะเห็นแต่คองของเมืองอุบลโดยมากมันเป็นเหล็กหนาแล้วก็บัตรกรีตีดังทวังทวังมันไม่ดังอันนี้ผมดังมาทั้งมาจากพม่ามั้งคลองมาจากพม่าเออถ้ามันดังอ่ะทดลองอะไรที่ก็เลยส่งมาให้มือเช้านี่ หลวงพ่อก็ตีมาเนะี่ะตุงตุงไปเสียงดังกล้องเลยถล้วก็ขอให้ครูบาบวทใหม่บอกโทรไปบอกแจ้งพ่อแม่ด้วยนะบอกก็าได้รับของนะหลวงพ่อได้รับแล้วขออนุมโมทนาให้ถึบุญละมา ก, มากๆไปทินไหนให้เสียงดังกลางวานันอิทธิศัพท์ชื่อเสียงให้เสียงไปในทางที่ดีว่างั้นะอะไม่เอาเสียงไปในทางที่ไม่ดีแมวให้เสียงไปในทางที่ดีฮะ แต่มาพูดถึงเรื่องนี้ก็มาพูดมาอดคิดถึงหลวงพ่อไม่ได้หลวงพ่อหลวงตาองค์หนึ่งเหมือนกันได้เป็นนิทานนะตุกตาองค์หนึ่งหลวงตาขี้ต์นีว่างั้นกันได้ yeah. ไปเทศที่ไหนมีอะไรนะี่ะโอ้เอาหมดเหมือนนไะ้ถ้าไปเทศที่ไหนไปเห็นเขาบริเขาบริจาคเขามาเอากล้วยเอากล้วยงาวกล้วยหอมกล้วยหอมทองกล้วย อันนี้แหละเออเอามาเยอะเหมเอนนคิดหาถุงไม่ได้หาย่ามไม่ได้ไม่มีย่ามที่จะใส่กล้วยเหมือนนั้นเห็นมันเยอะเลยไม่มีที่จะใส่หลวงพ่อก็เป็นนักเทศใช่ไหมละ่ะก็บอกว่าเออญาติโ ย, ยมถ้าหากว่าคนผู้ใดขาาเขาทานทานกล้วยมันช่วยมันแหลมเหมืนั้นถ้ า, าว่าใครทานถุงทานถุงทานย่ามเลย ท่านถุงทะยงทยานขึ้นฟ้าเอหลวงพ่อหาคำพูดเก่งนะท่านกล้วยสวยลงสวยลง่องท่านถุงท่านยามทะยุทยงทะ ย, ยานขึ้นฟ้าที่นี้เขาก็เห็นว่าเออท่านบริจาคกล้วยมันมันมันช่วยมันแหลมเลยเขาเอากล้วยออกไปท่านี่ตามให้จริงหลวงพ่อหนหะ อ, อยากจะได้กล้วยเขางั้นแต่จะหาถุงมาใส่กล้วยว่างั้นทนีนี้เขาก็เอากล้วยออกไปท่าน เออเขาจะเอาเอาย่ามมาแทนเหมืนนอนนนะเพราะมันทะยุงทะยานขึ้นฟ้าเลอหลวงตาเนี่ยถเห็นท่าเขาจะเอาไปหมดเนี่ยกล้วยไม่ท่าเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนคำพูดใหม่เออถ้ากล้วยงาวกล้วยหอมไม่เป็นไรเออแต่มันกล้วยน้ำว้าเนี่ยเอาไปเถอะม <c ười> คือหลวงตาเนี่ชอบกล้วยงาวกล้วยหอมเหมือนกันออแต่กล้วยน้ำว้าเนี่ยเป็นแต่สั่งแต่กล้วยน้ำว้าเหมือนนแต่ ถ้ากล้วยถ้ากล้วยงากล้วยหอมไม่เป็นไรเอ่เป็นแต่สั่งแต่กล้วยน้ําว่าเออเขาก็เลยเอากล้วยหงากล้วยหอมไว้เหมือนกันแต่เขาก็เลยเอากล้ว ย, ย, ยน้ํน า, าว่าออกแล้วหาถุงมาให้ลลลหลวงพ่อหลวงตาเนี่ยแหละหลวงตาเนี่ยเทศอยู่เทศกินจริงๆริงเลยตอนี้พอไปไปเทศอีกเท่าไหร่พอไปเทศเขาก็จะมีคล้องมีกองเหมือนกันนะเวลาเทศจบเขาจะต้องตีคล้องตีกองมุงตึงตึ ง, ตง ตึงมุง้งเวลาเทศจบจะได้แต่ละครั้งเหมือนกันอ่ะตอนนี้หลวงพ่อเนี่ยก็ไปเทศไปเทศเทศแข่งเขาว่านะนเทศแข่งใครเทศเก่งกว่ากันคนนั้นได้รางวัลลักษณะอย่างนั้นอ่ะแต่หลวงตาก็เทศเก่งที่ไหแต่ขี้เหนียวอีกต่างหากเามือนกันไหนไม่ให้หลุดให้หล่นไปได้ที่ไหนเหมือนกันเถอพอเทศจบลงเขาก็โอ้สมัยนั้นเขามีรางวัล มีทั้งชาง้างมาีทั้งม้ามีทั้งบวัวมีทั้งควายว่า ง, ง, งั้นเถอมีรางงวัลให้แกดวงตาผู้เทศผู้เทศเก่งว่า ง, งั้นเถอะเทศชนะหมูเพื่อนว่า ง, งั้นเถอะเอาก็ว่าเทศโจดเทศโจดนะโจดขานกันนะสมัยโบราณเขาถือเป็นประเพณีว่า ง, งั้นเ่ะถามแต่ก็ไม่ติดถามแต่ไก็ไม่ติดไม่คล่องว่า ง, งั้นเถอะแก้ได้อจนคู่ต่อสู้ทั้งหลายยอมแพ้อ อ, อกนี้ก็เป็นฝ่ายชนะว่า ง, งั้นเถะ แปลว่าเป็นผู้เจนจบในหลักสูตรต่างๆจบในพระไตรปิฎกจบในวทะวาทศินเหมือนกันเอาชนะหากล้างผู้ที่ถามมาได้ชัดเจนเหมืนอนกันเขาก็ให้รางวัลแต่เป็นคนขี้เหนียวทีนีลงตาเนี่เข า, าโอ้ลงตาจะเอาไว้ที่ไหนล่ะเขาเขาจูงช้างมาเอาควายมาเอาวัวมาเอามาม า, มาเหมืนอนกันเขาก็มามัดไปนี่ บริเวณ ร, รอบๆ อ, อบสารานะอ่อนี่แหละหลังวันสมัยก่อนไม่มีเงินมีทองอย่างพวกวันนี้เนี่ยมีแต่ของเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็จะได้สัตว์เลี้ยงก็คงจะไปขายเป็นเงินอีกมั้งหลวงพ่อเย่ยแบเอ๊ะถ้าไปมัดไว้ที่อื่นก็กลัวคนอื่นจะเอาใช่ไหมมันคนขี้เหนียวนี่ใช่ไหมหลวงพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอ้ยมัดใส่หลักก็เป็นของหลัก มัดใส่ตอก็เป็นของตอถ้าอยากจะให้ลงตาลงพ่อให้มามัดใส่คอลงพ่อดีเนเอะเนี่ทีนี้เขาเอาเชือกต่อเชือกยาวๆอามางั้นแหละเขาก็มาคล้องใส่คอลงพ่อเอเชือกควายกักกบเ ช, อชือกหนึ่งเชือกบัวกับเชือกหนึ่งเชือกม้ากับเชือกหนึ่งเชือกช้างกับเชือกหนึ่งมือนมามัดใส่คอลงพ่อพ่อแสดงเอออ้อาวบ้านเนี่ ตีละครั้งไหมือนกันเนี่ยแปลว่าหลวงพ่อตีคล้องตีกลองตีละครั้งแปลว่าหลวงพ่อได้ของแล้วงหมอนกันอเอาแบตีคล้องมุ้งตึงไอ้ทางช้างทางมา้าทางวัวทางควายมันไม่เคยได้ยินเสียงกลองใช่ไหมมันกระโดดไปคนละทาง เ, เอ้เชือกเช่นนั้นกับมัดคอลงคออยขาดลงจากธรรมชาติเงั้อนกันเลยหลวงพ่อยังไม่ได้อะไรหลวงพ่อคอขาดก่อนว่างอนกันเลยนี่แหละ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปชี้โลภมากจนเกินไปนคอตัวเองขาดถ้าไปมัดใจหลักก็เป็นของหลักนะแต่มัดใจตอก็เป็นของต่อถ้าหากว่ า, าจะให้หลวงพ่อหลวงตากระมาดมามัดใจพอหลวงพ่อหลวงตาเดี๋เวด่าว่าเขาเอาเชือกมาคล้องคอหลวงหลวงพ่อหลวงตาเลยจากนั้นไงช้างกระโดดไปทางหนึ่งม้า ก, กระโดดไปทางหนึ่งวัวควายมันตื่นกันได้ใช่ไหม หลวงพ่อก็ไว้ดงจากธรร ม, มาและค้อขาดเทานั้นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือความโลภโลภพาตายโลภไม่รู้จักประมาณทำให้คนตายได้เหมือนกันนะโลภเนี่ยเพราะนั้นในพวกเราโลภพอประมาณต้องต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ในใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ใ, ใช้ปัญญาในการเป็นอยู่ทุกอย่างให้รอบคอบ อย่าใช้ความโลภให้ใช้การเสียสละถ้าเสียสละไปที่ไหนใครก็รักทั้งหมดนั่นนะถ้าขีดตะนีถีเนียวไปไหนใครใครก็ไม่อยากจะเป็นหมูเป็นเพื่อนเป็นพักเป็นพวกเนะพราะเหตุไรเพราะว่าไปที่ไหนเวลาไปทานอาหาร้วยกันเนัเนนะ่ะเวลาหมูจะอิ่มตัวเองเดินหนีก่อนละให้หมูจ่ายเงินนั่นะแหละเขาจะไปได้กี่น้ำหระพอไปาวนาโอ๊ ย, อยไปชวนมันมาได้นะัน มันไม่ออกเงินช่วยกับเราเลยเนี่ยพระนิจโชว์ ก, ก็เลยไม่มีหมูมีเพื่อนมีพักมีพวกเนี่ยเพราะเหตุไรเพราะเห็นแก่ตัวออไม่ได้ช่วยกันไม่ได้หารกันมันน่าจะรู้จักใครๆก็ถึงเขาจะรวยเขาก็ต้องมีน้ำใจเขาจะต้องอาศัยหมูเหมือนกันต้องเฉลือเพ่อแพร่กันเออค่ามีไม่มากเล้ว้ค่าต้องช่วยเท่านี้เออก็น่าเห็นใจเพราะมันจน คนที่มีคนที่รวยก็ต้องออกมากกว่านีแต่ตัวเองเห็นว่าตัวเองจนเดินหนีเลยนี่จะมากินกับหมูต่อไปไม่มีหมูมีเพื่อนเพราะเหตุไรเพราะคนไม่มีน้ำใจเพราะนั้นน้ำใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญดิเห็นไหมลุงตาลูกลุงตาที่ยืนที่เขียนทำไมการเสียเปรียบคนนั่นแหละคื อ, อคือเมตตา การเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตาคนที่มีเมตตาต้องยอมเสียเปรียบคนอื่นเขาถตามันเกินไปเราก็ต้องรู้อีกเพราะคนมีปัญญาใช่ไหมถ้าเขาเอาเปรียบเราเกินไปเราก็รู้เพราะเรามีปัญญาอยู่แล้วเราคือคิดอยู่แล้วแต่เขาเอาเปรียบเรานิดๆหน่อยๆเราก็ยวนให้อภัยเพราะมีน้ำใจนี่แหละการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนทาอย่างนั้นได้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 อาลับพรอนุโมทนาให้พร